เชิงอัตถบทที่หนึ่งเรื่องนี้พบในสังยุตติกายนครสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้ปัญญาว่าเมื่อวิญญาณมีอยู่จึงมีนามรูปเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเรานั้นมีความคิดดังนี้ว่า เมื่ออะไรหนอแลมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีอยู่จึงมีวิญญาณเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณ น, นี้ได้เวียนกลับแล้วเพียงนั้น ไม่ไปพบจากนามรูปได้ด้วยความเป็นเหตุผลกันดังนี้โลกย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติดูกราภิกษุทั้งหลายเรามีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ชาราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชารามรณะจึงดับ เพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชาราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชาราและมรณะจึงดับดูกราภิกสุทั้งหลายเรานั้นมีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรนอไม่มีอยู่ชาติจึงไม่มีภพจึงไม่มี อุปทานจึงไม่มีตัณหาจึงไม่มีเวทนาจึงไม่มีผัสสะจึงไม่มีสลายตนะจึงไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับดูกราพิกษุทั้งหลายเพราะการใส่ใจโดยแยบขายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่า เมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับดูกราพิกสุทั้งหลายเรานั้นมีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรน้อแลไม่มีอยู่วิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่า เมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเรานั้นมีความคิดดังนี้ว่าเราได้บรรลุหนทางนี้แล้วด้วยปัญญาคือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตระนดับ พัสสะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ลําดับนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงอย่างเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานาขันห้าอยู่ในการต่อมาว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้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 ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้เมื่อพระองค์ทรงอย่างเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันห้าอยู่ไม่นานนักจิตก็หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นในพระวินัยปิดกมหาวัคคพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยาก รู้ตามได้ยากสงบประณีดไม่เป็นวิสัยแห่งตักกะละเอียดบันดิตจึงจะรู้ได้ในคำพีสารัตธีปณีอธิบายถึงธรรมในเรื่องนี้ว่าคืออริยสัจสี่ดังปรากฏข้อความว่าพระดำรัตว่าธรรมโมคือสัจธรรมสี่ เพราะไม่มีธรรมที่พึงแทงตลอดนอกเหนือไปจากอริยสัจิ์4นั้นนิวรคือเครื่องกั้นศักยภาพจิตไม่ให้บำเพ็ญกุศลชั้นสูงคือฌานวิปัสสนามักและผลบุคคลที่ถูกนิวร์ครอบงำ ย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไม่อาจบรรลุสมาธิและปัญญานิวรมีห้าประการคือ 1. ก้กามฉันทะความยินดีพอใจในกามคือสิ่งที่น่าชอบใจอันได้แก่รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยและสิ่งที่สัมผัสอ่อนนุ่มจิตที่ถูกนิวร น, นี้ครอบงำ จะมีสภาพถูกปรุงแต่งไปตามอารมณ์นั้นๆเหมือนน้ำที่ผสมด้วยสีต่างๆ 2. พยาบาทความไม่พอใจงุดหงิดขุนเคืองคิดประทุษร้ายปองร้ายจิตที่ถูกนิวอนี้ครอบงำจะมีสภาพกระวนกระวายเหมือนน้ำต้มที่กำลังเดือดพล่าน 3. ถินมิทธะความง่วงซึมเศรา จิตที่ถูกนิวรี้ครอบงำมีสภาพไม่แจ่มใสเหมือนน้ำที่มีจอกแหนปกคลุม 4. อุทธจกุกุจจะความฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจจิตที่ถูกนิวรี้ครอบงำมีสภาพไม่สงบนิ่งเหมือนน้ำที่ถูกลมพัดเป็นละลอกคลื่นหวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงสงสัยในพระธรรมคือมรรคผลนิพพานสงสัยในพระอริยสงฆ์ผู้บรรลุธรรมสงสัยในรูปนามด้วยเหตุจากอวิชชาสงสัยในแนวทางการปฏิบัติหรือสงสัยในคำแนะนำของวิปัสสนาจารย์เป็นต้นจิตที่ถูกนิวร น, นี้ครอบงำ มีสภาพตัดสินใจไม่ได้เหมือนน้ำที่ถูกวางไว้ในที่มืดผสมด้วยโคลนตมในสังคาราวสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าบุรุษผู้มีจักษุไม่อาจเห็นเงาใบหน้าได้ในน้ำที่ผสมด้วยสีต่างๆในน้ำที่ถูกต้มจนเดือดพรานในน้ำที่มีจอกแหนปกคลุม ในน้ำที่ถูกลมพัดเป็นละลอกคลื่นและในน้ำผสมด้วยโคลนตมในที่มืดฉันใดบุคคลย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและไม่เกิดปัญญาอย่างเห็นสภาวธรรมอย่างแท้จริงด้วยอำนาจของนิวรฉันนั้นพระดำรัดว่าบันดิตเวทนิโย ผู้มีปัญญาพึงรู้ได้หมายความว่าผู้มีปัญญาที่ปฏิบัติโดยชอบเท่านั้นพึงรู้ได้เพราะมิใช่วิสัยแห่งคนเคลาหมูสัตว์เหล่านี้เป็นผู้รื่นรมด้วยตัณหายินดีในตัณหาเพลิดเพลินในตัณหาเหตุปัจจัยนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือปฏิจจสมุปบาท เหตุอันเป็นที่อาศัยเกิดของผลอันเป็นปัจจัยแก่ผลธรรมมีสังขารเป็นต้นเหล่านี้ธรรม4ี่ประการคืออริยสัจลาวสัตว์ปฏิสนธิและปัจจญยาการเป็นธรรมที่เห็นได้ยากทั้งยากที่จะแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจบุคคลส่วนใหญ่มักเข้าใจถึงสมมุติบัญญัต คือรูปร่างสันฐานหรือคาสื่อความหมายจึงยากที่จะเข้าใจว่าสภาวธรรมที่ไม่ใช่สมมติบัญญัติคืออะไรข้อนี้เหมือนปลาที่อยู่ในน้ำย่อมไม่รู้ว่าบกคืออะไรหนังสือทั่วไปจึงมักอธิบายทุกในอริยศัสตร์ว่าเป็นความไม่สบายความลำบากทางร่างกายและทางจิตใจ แต่ทุกดังกล่าวเป็นทุกขเวทนามีรากศั์มาจากทุกบทหน้าเท่ากับยากบวกขมุธาเท่ากับทนบวกกวิปัจใจแปรตามสับวสภาวะทนได้ยากส่วนทุกในอริยสัจมีรากศั์มาจากทุกหน้ารังเกียจบวกขอไข่ไร้แก่นสาร แปลตามสับว่าสภาวะไรแก่นสารอันน่ารังเกียดดังนั้นการอธิบายความแห่งปฏิจจสมุปบาทอันไกลๆเว้นเสียแต่ท่านพูดถึงพร้อมด้วยปริยัติและมรคผลจะทำได้ไม่ใช่เรื่องง่ายบัดนี้ข้าพเจ้าใครจะกล่าวอธิบายปัจจัยาการทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ที่อาศัยเหมือนบุรุษก้าวลงสู่สาคร ยังไม่ได้ไปเหยียบยันฉะนั้นแต่คำสอนข้อนี้เป็นคำสอนที่ประดับไปด้วยในเทศนาต่างๆทั้งแนวทางคือคำพีอัตถกาถาของท่านบุรพาจารย์เล่าก็ยังเป็นไปอยู่ไม่ขาดสายดังนั้นข้าพเจ้าจักอาศัยในทั้งสองนั้นประรบคำอธิบายแห่งความปฏิจจสมุปบาทนั้น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 กองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้